ท่านจึงวิตกกังวลว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาก็ได้เริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆ อ, อย่างในบางท้องที่ของเมืองใต้นั้นพระไปบินทบาตในบางถิ่นมีมุสลิมมากเดี๋ยวนี้ถูกเด็กวัยรุ่นโห่เอาแล้วบางแห่งไปมีการถมน้ำลายอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงว่าสถานการณ์ทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นเรื่องในทางที่ไม่ดี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 ในทางประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานเคยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งอยู่แถวๆอาณาจักรกุาสานของพระเจ้ากนาิษฐ์ที่พามิยานมีพระพุทธรูปใหญ่สูงห้าบสาเมตรและส5สิห้าหรือส7เมตรซึ่งแกะสลักอยู่ที่ภูเขาเมื่อราวพุทธศักราชปดร้อยมาถึงตอนนี้